คนที่เคยเห็นแล้วก็อยากเห็นอีกผู้ที่ไม่เคยเห็นก็อยากที่จะเห็นพระพุทธเจ้าพันพอพระเาพอพระหากระสปะถามมาตอนนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนคำตอบก็ทราบว่าพระองค์ปริพันธ์ได้ปริพันานไปแล้วภิกษุเหล่านั้นก็ไม่อาจจะดำรงตัวอยู่ได้บางองค์ก็ทิ้งบาทิท้งจีวนทุ่งทิ้งผ้านุ่งผืนเดียวเระวาหรือไม่ผ้าที่นุ่งไม่ดีห่มไม่ดีทุกอกร้องให้ขมขรวน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 จีวริกังฆะทุดงที่มากับพระมหากษัตริยร้องให้เสียเองเหมือนสตรีเนี่ยนะร้องให้เหมือนพระเหมือนพวกผู้หญิงทั้งหลายที่สู่เหล่านั้นก็จับปลอบโยนพวกเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเอานี้ล้กันมาร้องให้ในป่าเฮ อ, อังไรกันเ่อะครับท่านก็เ อ, อให้ร้องให้อยู่ในป่ายังมากก็อายผีสางานิดหน่อยแค่นั้นนะไม่ต้องแม็มหาชนคนใหญ่โตคนเยอะแยะมากมายแล้วบอกแม็กลุ่มพระรูปเราเนี่ยไปร้องให้กระจองไง อยู่ใกล้ตรงนั้นก็ไม่เคยไม่เคยดูไม่ไม่เคยดูหน้าดูเท่าไหร่เนี่ยนะนะซึ่งอ า, อาชีวกก็บอกว่าอัชชสัตตาหังปรินิพุโตสมโนโคตโมบอกว่านับตั้งแต่วันปรินิพานจบถึงวันนี้พระองค์ปรินิพานได้เจ็ดวันแล้วนี้ดอกมณฑารพข้าพเจ้าเก็บมาจากสถานที่ปรินิพานของพระสมณโคดมแสดงว่าอาชีวกเนี่ยนะ ก, ก, ก, นก็นักนักบวชรัตที่อื่นๆถึงเห็นปาฏิหาริย์ขนาดไหนก็ไม่เลื่อมใสยอยู่ดี เพคิดกันไว้คนละอย่างเนี่ยนะนับถือกันคนละอย่างเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เลื่อมใสอะไรแต่ก็เออดอกไม้สวยดีถือว่าเป็นร่มก็ได้เนี่ยนะคนที่ไม่มีบุญไม่มีวาสน า, าไม่เคยสั่งสมบุญอัธยาสัยมาเนี่ยไม่นับถือพระองค์จริงๆนะไม่นับถือพระองค์ไม่ฟังธรรมของพระองค์เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสะสมบุญที่จะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัย ป, ปัจจัยให้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าตลอดไปเนี่ยนะ นี้พูดถึงฝ่ายตอนที่พระพิสุขผู้ที่ยังไม่ปราศจากราคะเนี่ยก็ยังร้องให้กลิ้งเกลือกอยู่ในป่านั่นแหละบอกแหมพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพานเร็วนักพระสุคตปรินิพานเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักรสูในโลกอันตรทานเร็วนัก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 ที่เราสมัยใหม่ใช้คําว่าหลวงตาสุภัทธะเนี่ยนะสุภัทธะวุฒิบันปะชิตแปลว่าบวชตอนอายุมากบวชตอนแก่แล้วเนี่ยสุภัทธะคนนี้นั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วยเนี่ยนะก็ติดตามพระมหากษัตริยมาเหมือนกันสุพัทธะวุฒธบันปะชิตเนี่ยนะแปลว่าพระสุพัทธะผู้บวชตอนแก่กล่าวกับพวกพี่สุทั้งหลายว่ายาเลยผู้มีอายุเนี่ยนะคือไมายเาว่าแม้สะใจมานานเนี่นะเห็นคนอื่นก็ร้องไห้ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวเองเนี่ยราคาญขึ้นมาเลยบอกยาเลยผู้มีอายุ พวกท่านยาเศร้าโศกยาร่ําไรไปเลยเราเนี่ยพ้นดีแล้วสบายแล้วงานนี้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพร ะ, พระมหาสมมณะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเบียดเบียนพวกเราอยู่แม้คอยคุมแจอ ย, อยู่เหลือเกินเนี่ยนะคอยเนี่ยคุมเราตลอดอะสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอคุมเราตลอดเลยนะอะไรทํานิดๆหน่นนอยๆเนี่ยท่านแม่จาที่จำชัยเหลือเกินเนี่ยนะบางพวกนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะยิ่งเขาเรียกว่า ผู้ใดที่เป็นคนที่คอยบอกคอยแนะนำชี้แจงคอยตักเตือนคอยห้ามคอยปราบเนี่ยจะไม่เป็นที่รักของอสัตบุรุษทั้งหลายอสัต์บุรุษทั้งหลายไม่ชอบอสัตวบูรุษทั้งหลายชอบอะไรกัลยาณมิตรในความคิดของพวกสัต์บุรุษคือใครคือคนที่ตามใจตัวเองนะาะนั้นในสายตาของอสัต์บุรุษทั้งหลายในสายตาของคนทานทั้งหลายพันตัวเองนี่มีอัธยาศัยชอบทําชั่วใครที่ สันเส ร, ริมในการทําชั่วของตัวเองยกให้ตัวเองเนี่ยทำชั่วอนุญาตให้ทําชั่วตามสบายนั่นแหละคือบุรุษในดวงใจของเขาคนที่อยู่ในใจของเขาก็คือคนที่ตามใจเขายินดีที่จะให้เขาทําชั่วส่งเสริมในการทําชั่วของพวกเขาแต่เขาจะเกลียดจะรังเกียจคนที่คอยห้ามปรามเขาไม่ชอบสัตว์บุรุษทั้งหลายเพราะฉะนั้นอสัตว์บุรุษนั้นโดยมากเกลียดไม่ชอบสัตว์บุรุษทั้งหลายเพราะสัตว์บุรุษทั้งหลายเนี่ย มีแต่การเน้การนำบอกกล่าวตักเตือนโอวาททำสอนสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธออันนี้ทำแล้วดีอันนี้ทำแล้วไม่ดีมีการบอกกล่าวตักเตือนและช่วยกันแก้ไขอาศัตบุรุษทั้งหลายไม่ชอบ น, น, นะโดยเฉพาะมันต้องอะไรนะสัต์บุรุษทั้งหลายท่านก็ไม่ยอมอยู่ร่วมกับอาศัตบุทั้ยท่านก็ไม่ยอมอยู่ร่วมกัอาศัตรูทั้งหลายท่านก็ไอมอยู่ร่วมกับอาศัตรูทั้กลายเป็นกัตม่ยอมอยู่ร่วมกบอาศัตรูทั้งหลายท่นก็ต้องมียูร่วกาศัรู้งหลามท่านก็ไม โอวาทและตักเตือนแต่อสสัตว์บุรุษไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สัตว์บุรุษแนะนําเช่นพระพุทธเจ้าแนะนำหลวงตาสุภัททะเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่หลวงตาก็ว่าไงแม้พ้นซะได้ก็ดีบ้างนะเนี๋พ้นแล้วสบายแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องคอยมีใครมาคอยบอกคอยว่าว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอ ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปพวกเราใครปรารถนาจะทําสิ่งใดก็จงทําสิ่งนั้นใครอยากฉันตอนเย็นฉันเลยเป็นตนน้นนะยกตัวอยา่างใครหิวก็ฉันใครอยากทําอะไรก็ทํำไปเถอะนะถ้าไม่ต้องการทําอะไรก็ไม่ต้องทําเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สบายเป็นตัวของตัวเองอิสระแล้ว่ะเนี่ยไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีทำมีวินยัยไม่ต้องมีใครมาคอยบอกคอยเตือนคอยโอวาดใครอยากกินก็กินใครอยากนอนก็นอนใครอยากทําอะไรก็ทําตามสบายไปเลย อันนี้คือลัดนะนะทีนี้ถามว่าคําพูดเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่าไฟเนี่ยกาลังจะไหม้เมืองว่างั้นเถะเนี่ยเป็นคําพูดที่เรียกว่าลุกลามสร้างอันตรายในพระศาสนาก็เหมือนกับว่าพระถ้าเป็นตอนกลางคืนก็เหมือนกับว่าคนที่มาตัดไฟเนี่ยนะคนที่มาตัดไปตัดความเจริญรุ่งเรืองเป็นคนที่มีความคิดทําลายศาสนาทั้งทั้งที่พระองค์ยังไม่ได้ประชมพระเพลิงเลยแล้วก็เป็นคนในด้วยเนี่ยนะก็แปลว่าอะไรแปลว่าแมะร็งร้ายกําลังงอกขึ้นมา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 แม้พ้นได้ก็ดีเนี่ยพ้นดีแล้วจากมาสมณะเพราะไม่ต้องมีใครมาคอยควบคุมคอยบงการว่านี้ต้องทํานี้ไม่ต้องทําเป็นต้นเนี่น ะ, ะคำว่าสุพัฒน์นี่เป็นชื่อของพิสูรรูปนะั้นแต่บวชในตอนแก่ก็เลยเรียกว่าวุท ธ, ธบัณฑปชิตวุทะแปลว่าเจริญเจริญตอนนี้แปลว่าแก่น ะ, ะถามว่าสุพัฒน์ธานั้นทําไมจึงต้องพูดอย่างนี้เพราะผูกโกรธไว้ในพระพุทธเจ้าพวกนี้พยาบาทต่อพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ละเว้นเลยนะ โกรธแม้กระทั่งในพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันผูกโกรธผูกใจเจ็บในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรื่องมีอยู่ว่าสุพัทธะภิกสุรูปนี้อดีตเคยเป็นช่างตัดผมในเมืองอตุมานาครนะ ท, ที่ที่มา เ, าเรื่องเคยมีในกำบีกันตะกะสุภัทธะหลวงตาคนนี้บวชตอนแก่ทราบเล่ามาว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากเมืองกุสินารา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 อยากจะต้อนรับแบบคล้ายๆว่าโอ้อวดเนี่ยนะโอ้อวดต้องการจะโอ้อวดแปลว่าต้องการโชว์พิเศษเนี่ยนะเสร็จแล้วก็คิดว่าเราจะต้องถวายอาหารในพระพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์เสด็จมาถึงทีนี้การที่จะทำบุญของเข้าไม่จัาเขาแบบทำให้มันถูกต้องนะไม่ เราทำตัวทำตัวเด่นเลยเนี่ยก็เรียกบุตรทั้งสองคนที่ตรวนเตรียมตัวจะเป็นเนนบอกว่าลูกเอ้ยเขาเล่ากันมาว่าพระพุทธเจ้าจะมายัางเมืองอัตุมานครพร้อมกับพิสุหมู่ใหญ่ประมาณสองรอห้าสิรูปไปเถอะลู ก, ลกจงไปถือเอาเครื่องมีดโกนพร้อมกับธนานและถังไปทุกลําดับเรือนไปไหนบอกไปเรียไรยอันนะั้ไปเรี่ยไรยเลยลูกไปรวบรวมเอาเกลือไปขอเกลือเข้าไปขอน้ํามันเข้าไปหาข้าวสาร ใครจะให้ของเคี้ยวให้ข้าวยาคูประกะาศเชิญชวนมาทำบุญร่วมกันมาทำบุญด้วยกันทำบุญต้อนรับพระพุทธเจ้าโฆษนาอยอเลยนะหาถังไปเลยลูกนะไปหาถังไปเลยหาท่านานหาว่าเขาเรียกว่าแทบจะหารถบรรทุกไปเที่ยวบรรทุกเรื่อยอเลยเนี่ยนะเหมือนดีใช่ไหมเหมือนดีถ้าพระพุทธเจ้าฉันให้ก็ดีสิตรงกันข้ามเลยเนะี่ย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 คือเด็กที่ไปเรียอะไรก็เป็นเด็กที่น่ารักอ่ะนะแล้วก็ฉลาดพูดอันนี้ในที่หนึ่งในที่สองทุกคนก็ต้อนรับพระพุทธเจ้าใครจะไปขัดละ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ร่วมบริจาคที่ขนเอาไปได้เองบ้างช่วยกันให้คนอื่นอ่ะนะให้พวกลูกน้องให้บริวาช่วยขนเอาไปถวายพระบ้างนะส่งไปถึงวัดเลยบางนั้นนี่ก็ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจา้าก็เสด็จมายังเมืองอตุมานครเสร็จแล้วก็ไปพักในโรงลานข้าว ตกเวลาเย็นสุภัฒทาพิสุกก็ยังไปยังประตูบ้านนะคือไอเอ็นักเรียรายเนี่ยนะนักเรียรายก็ยังไม่ยอมเลิกเรียรายช่วงเช้ามาก็ใชใ้ลูกไปขอนวดพวกเกลือพวกข้าวสารน้ำมันของเกี้ยวไปเพื่อจะมาประกอบไปเรียรายไปค้นออกมาเยอะแยะไปหมดตกตอนเย็นตัวเองก็ไปอีกนะเข้าไปเรียรายในหมู่บ้านอีก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 เถามว่าแล้วท่านสุภัทจะให้ข้าพเจ้าทําอย่างไรล่ะสมหลวงตาสุภัทะก็บอกว่าพวกท่านจงถือเอาสิ่งนี้สิ่งนี้และให้ถือเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับว่าท่วนต้องขนเอาหม้อเอาเอาตะหลิวเอาทั พ, พีเอากระทะขนเอาไปให้หมดเพื่อไปช่วยกันทํามงั้นมีจะเข้าวสารไปหุงไปต้มที่ไหนไปถึงก็ไปสร้างเตาไฟที่วิหารไปขุดเตาไฟนะเคยเห็นไหมประกอบวิธีแบบอาหารก็ต้องขุดลุมเนละขุดลุมสร้างเป็นเตาไฟสร้างเป็นอะไรหาฟืนอ่ะนะ ก็เรียว่าเรียรายทั้งคนงานทั้งก้าวของเงินทองมาเยอะแยะเลยฝ่ายตัวสลงตาเองเนี่ยนะนุ่งผ้าย้อมน้ําฝาดที่ดําปีอยู่ผืนหนึ่งนะครับผ้าดําๆย้อมเสร็จแลว้วก็มานุ่งพืนหนึ่งห่มพืนหนึ่งแล้วก็เป็นคนบัญชา ก, การทําครัวเองนะยืนสั่งการในการทําครัวว่าจงทําสิ่งนี้นะจงทําอันนี้อันนี้อย่าทำสงสัยเอะโวยวายเ อ, เอตเตอรอยู่ตรงนั้นหมดนะ